มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตวกักนิปปันจะปัญหาที่สองถามว่าสอนให้ยินดีในนิปปันจะทมนิปปันจะทมนั้นคืออะไร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานเอตังวัจนังอันว่าคำอันนี้สมเด็จพระพิชิตามานโมลีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสพระสัธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าภิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภายในวัดตะสงสาร ตุ้เหอันว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงนิปปันจะระติโนจงมีนิปปันจะธรรมและกำหนัดยินดีในนิปปันจะธรรมนั้นอยู่ให้สำราญนี่แหละสมเด็จพระโลกนาถศาสดาอาจารตรัสว่านิปปันจะธรรมโยมไม่เข้าใจว่านิปปันจะธรรมนั้นอย่างไรพระนาคเษนผู้เฉลิมป ร, ราดจึงวิสัชชาว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตมาจารตรัดว่านิปปปัญจะธรรมนั้นคือพระโสดาปติผลพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิผลพระอรหัตผลจงทรงทราบพระไทยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานถ้าดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะต้องเรียนรวังฆาสัตตุศาสนาคำสั่งสอนของพระศาสดามีองค์9ก้าประการคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัภูตธรรมะเวทละ และให้ทานกระทำการบูชาเพื่อประโยชน์อะไรเล่าจะมิชื่อว่าภิกษุเหล่านั้นกระทำกรรมที่พระบรมครูเจ้าตรัดห้ามไวหรือพระนาเกเสนจึงมีเถระวาจาถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐภิกษุทั้งหลายต้องมาเล่าเรียนศึกษาและกระทำอนวัชกิจเช่นนั้น ก็กระทาเพื่อให้บรรลุนิปปปัญจะธรรมด้วยกันทุกรูปมหาราชะขอถวายพระพรสภาวะป ร, ะริสุทธาบุคคลที่บริสุทธิ์โดยสภาวะอบรมวาสนาบารมีให้แก่กล้าแล้วจกได้นิปปปัญจะธรรมเป็นผู้สิ้นความเนื่นช้ากล่าวคือได้บรรลุมรรคผลในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่ จะได้นิปปปัญจะ ร, รมก็ด้วยตั้งใจภาคเพียนเล่าเรียนในน่ ว, วังค้สัตถุศาสนาและมากระทาอนนวัชกิจเหล่านี้ค่อยๆพยายามไปทีละเล็กละน้อยจนกว่าจะสำเร็จความข้อนี้อัตมาจะขอถวายวิสัชนาโดยอุปมามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุจชาวนาสองคน คนหนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วมีพักต้องใช้กำลังและความเพียรเที่ยวตัดต้นไม้และเรียวหนามากระทารั้วกันน้นนานั้นเขาก็ได้ผลแห่งทั ญ, ญชาติอีกคนหนึ่งหวานพืชลงในนาแล้วต้องเที่ยวตัดต้นไม้กิ่งไม้และเรียวหนามากระทากั้นอันตรายจึงได้ผลแห่งทั ญ, ญชาติยะถามีขรุวนาฉันใด บุคคลที่มีวาสนาหนุหลังได้กระทา ม, มาโดยบริบูรณ์แล้วนั้นคร้นได้ฟังพระสัทธรรมเทศนามิช้าก็ได้มักเมื่อได้มักแล้วต่อไปอีกขณะจิตเดียวก็ได้ผลส่วนภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นเมื่อกำหนดยินดีอยากได้บรรลุนิพพัญจะรมคืออริยะผลต้องภาคเพียนเล่าเรียนซึ่งนวังคสัตถุศาสนานั้นโดยลาดับ จึงจะสำเร็จได้ก็มีอุปมาฉันนั้นประการหนึ่งบอพิษพระราชสมภารเจ้าจึงทรงสดับซึ่งอุปมาอีกอย่างหนึ่งเล่าเปรียบด้วยบุรุษสองคนเข้าไปป่าเพื่อว่าจะสแสวงหาผลาผลจึงไปปะต้นไม้ต้นหนึ่งทรงผลพุ่มพวงดิบหามสุกสารพัด ท, ที่จะมีอยู่บนต้น บุรุษชายคนหนึ่งมีกำลังวังชาบุรุษชายคนหนึ่งหากำลังไม่ได้อ่อนแอน้นักหนาฝ่ายบุรุษที่มีกำลังวังชากล้านั้นก็ถกขเขม็โจงกระเบนให้มั่นโดดขึ้นไปบนต้นไม้ช่วยเอาผลไม้ได้ก่อนบุรุษที่อ่อนแอนหากำลังไม่ได้ก็หาไม้ทำะอ ง, งตัดพระอ ง, งได้ เอาพาดต้นไม้นั้นขึ้นไปตามพระองค์ได้ผ ล, ลไม้เหมือนกันแต่ต่างกันด้วยเร็วกับช้าชันใดก็ดีบุคคลที่มีบุพพวาสนาได้กระทามาเป็นสภาวะบริสุทธิกับพระภิกษุปุถุชนนั้นก็ได้พระอริยะผลเหมือนกันแต่ทว่าเร็วกับช้าบุคคลที่มีวาสนาเป็นสภาวะบริสุทธ์ได้ผลก่อน ขอถวายพระพรประการหนึ่งบพิษพระราชสมภารจงทรงพระสวนาการฟังซึ่งอุปมาให้พินโยภาวะประหลาดไปอีกอย่างหนึ่งเล่าเปรียบดังบุรุษชายสองคนจะกระทํากิจธุระสักอย่างหนึ่งอย่างใดคนหนึ่งเป็นคนเข้าใจในกิจธุระนั้นก็กระทําให้สําเร็จไปได้เองแต่ผู้เดียวอีกคนหนึ่งไม่รู้จักธรรม ต้องจ้างเขาด้วยซัพ์จึงทำได้แต่ก็ทำให้สำเร็จได้เหมือนกันผิดกันที่ช้ากับเร็วเท่านั้นความนี้เปรียบชั้นใดท่านผู้มีบุพภาาสนาได้กระทามาเป็นสภาวะบริสุทธิ์แล้วกับพระภิกษุที่เป็นปุถุชนนั้นก็สำเร็จพระอรยะผลเหมือนกันและแต่ทว่าช้ากับเร็วที่บุคคลมีบุพภาวาสนานั้น จะได้วาสีในอภิญญาหกนั้นขณะจิตเดียวก็ได้โดยเร็วพลันจะได้ช้าอยู่จนสองขณะจิตหาไม่ได้ส่วนพระภิกษุที่เป็นผุ้ทุชนนั้นช้าอยู่จะต้องภาคเพียรเล่าเรียนไปโดยลำดับก่อนกว่าวาสนาจะแก่กล้าเหตุชนี้สมเด็จพระบรมครูสัพพันยูผู้ประเสริฐจึงมีพระพุทธดีกาตรัสให้อวาทคำสั่งสอนพระภิกษุทั้งหลาย ให้มั่นหมายกำหนัดยินดีในฝ่ายที่จะได้ซึ่งนิปปันจะรมคือพระอริยผลนั้นการที่พระองค์มีพระพุทธดีกาเช่นนั้นจะนับว่าเป็นอันพระองค์ตรัสห้ามปรามมิให้ภิกษุเล่าเรียนบอกกล่าวพระไตรปิฎกสืบไปหาไม่ได้บวพิจงทราบดังวิสัชนามานี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงสดับ ข้อวิสัชนาปัญหานี้เท้าเธอทรงเลื่อมใส ย, ยินดีด้วยถ้อยคำพระหนา้าเกษณผู้เฉลิมปราดก็ตรัสพระภาษษสาธุกการดุดในยะหุนหลังนิปปปัญจะปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้